มันก็น้อยมากที่สงบนิ่งแล้วเออชีวิตของเราเนี่ยไล่มาตั้งแต่เกิดไปจนตายเลยนะพอสงบสบายใจระดับหนึ่งแล้วก็มาพิจารณาถึงว่าชีวิตนั้นแตเกิดตั้งแต่อยู่ในคันไปจนถึงวันตายแล้วตายแล้วตายอีกตายแล้วเกิดแล้วเกิดอีกสงบนิ่งแล้วมาเห็นอริยสัจพิจารณากรรมและผลของกรรมพิจารณาปฏิจจสมุปบาทวิจัยปฏิจจเหล่านั้นโดยขันอาญาตนะธาตุเนี่ยนะแล้วก็ปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่ายและคลายกำหนัดในสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดเนี่ย โดยมากหายากแม้แต่จะฟังคนพูดอย่างนั้นก็ยังหายากจะกล่าวไปยายถึงผู้ที่ปฏิบัติเช่นนั้นเพราะมันยากจริงๆเลยนะที่ที่บุคคลทั้งหลายจะเดินตามร่องรอยของคำสอนนั้นอย่างช่วงนี้ได้เขาว่าพวกพวกอาบน้ำล้างบาปเนี่ยนะตายไปหลายสิทธิ์เนี่ยนะก็ แ, แสดงว่าสแสวงหาทางอื่นที่ไม่ใช่ทางแห่งพระนิพพานเชื่อว่าเป็นทางแห่ง พระนิพพานเนื่องจากท่านเหล่านั้นไม่ได้สั่งสมสติปัญญามาท่านเหล่านั้นก็เพียงแต่เชื่อว่าเอออาบน้ําแล้วก็จะได้ไปดีเนี่ยนะล้างบาปได้เบ็ดเสร็จหมดแล้วซึ่งลัทธิอันนี้เนี่ยนะ ม, มีมานานเต็มทีละมีตั้งพระพุทธเจ้าเป็นพระโพธิสัตว์ก็มีอย่างในพภริธาตะชาดกเนี่ยน้องชายคนเล็กเนี่ยนะน้องชายคนเล็กของท่านเชื่อว่าการอาบน้ําล้างบาปทําให้บริสุทธิ์ท่านก็แก้ลัทธิเหล่านั้นเนี่ยนะ ก็เป็นอย่างนี้ถ้าไม่ฝึกฝนในเรื่องสุตตะมยะปัญญามาอย่างดีไม่มีจินตามยะปัญญามาเป็นอย่างดีที่สั่งสมบุญกุศลมาเป็นพื้นฐานอย่างเพียงพอเนี่ยนะที่จะแสวงหาหนทางที่จะปฏิบัติตามมรรคแดถ้าจะยากเหมงอนกันเถอะเขาบอกว่าอย่าว่าปฏิบัติตามมรรคแปดเลยใจจะถือเอามรรคแปดเป็นข้อปฏิบัติก็ยังไม่มีเหมือนกันนะก็อย่างของมาเดาเอาว่าไม่มากนักรอกที่สมาทานว่า ขอปฏิบัติตามสัมมาทิฏฐิเพื่อให้เห็นอริยสัจ ต, ตั้งไว้เลยว่าถ้าจะปฏิบัติขอปฏิบัติในสัมมาทิฏฐิเพื่อวิจัยอริยสัจถ้าจะตรึกตรึกตามสัมมาสังกัปปะถ้าจะพูดพูดสัมมาวาจาถ้าจะทำํำตามตามสัมมากรมมันตะถ้าจะประกอบอาชีพก็สัมมาวาจาและกรมมันตะนั่นแหละที่เป็นอาชีพเงินนะเพียรพยายามเพื่อละบาเพียรเพื่อเพิ่มผูนบุญไม่เผลอในความเป็นอสุภะอนิจจังทุกขังและ อนาตาเนี่ยนะันสมาธิที่ดำรงมั่นเพื่อเพิ่มพูนให้มีปัญญาวิวจัยอริยสัจอย่างเดียวคนที่ถือเอาสิ่งเหล่านี้เป็นสาระจริงๆเนี่ยแค่ได้ยินอย่างไม่ได้ยินจะกล่าวไปยายถึงได้เห็นผู้ที่ปฏิบัติเช่นนั้นเนี่ยนะโดยที่สุดแม้แต่ผู้ที่เรียนพระไตรปิฎกก็ไม่ค่อยจะทำเช่นนั้นถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าไม่ค่อยแน่ใจว่าทางนั้นจะช่วยให้ตัวเองพ้นจากทุกข์ได้จริงหรือเปล่าเนี่ยนะ มันก็เลยทางเหล่านี้ทางโดยเฉพาะทางอันประกอบไปด้วยองแปดก็ค่อยค่ยรกไปเรื่อยรกไปเรื่อยรกชัดจนถึงในที่สุดไม่มีใครรู้จักเส้นทางสายนี้เนี่ยนะก็ไม่มีใครรู้จักเส้นทางสายนี้ก็ต้องรอพระพุทธเจ้าองค์ใหม่เท่านั้นท่นานจะต้องสะสมทั้งสุตตมยปัญญาจินตามยปัญญาพิณิพิจารณาใครควรหนทางเหล่านี้ให้ให้บ่อยมากๆโดยเฉพาะผู้ที่เป็นพระผููทิสัตถ์ทั้าทางหลายเนี่ยนะจะต้อง ก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าในที่สุดตัวเองจะตรัสรู้อะไรสาวกทั้งหลายก็เหมือนกันผู้ที่ฟังธรรมปรารถนาเพื่อจะพ้นทุกข์ต้องรู้อยู่แล้วว่าตัวเองต้องการบรรลุอะไรทั้นถ้าเกิดไปบรรลุบางอย่างเข้าที่ไม่ใช่ของจริงเนี่ยเราจะว่ายัางไงนะเพราะสมัยใหม่เนี่ยเขาบรรลุกันมากไม่รู้บรรลุอะไรก็ไม่ทราบเพราะว่ากิเลสเท่าเดิมเป็นต้นก็แสดงว่าไม่น่าใช่นะพูดเผื่อนะจริงๆมันไม่ใช่หรอก อันหนึ่งอันผู้ที่ยังโลกิยะปัญญาให้เกิดด้วยอำนาจกำหนดลักษณะของตนแห่งขันนะลักษณะของขันลักษณะของขันเนี่ยลักษณะเฉพาะตัวของรูปเป็นอย่างไรลักษณะเฉพาะตัวของเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณแต่ละอย่างเป็นอย่างไรลักษณะของตาของรูปของหูของเสียงของจมูกของกลิ่นของลิ้นของรสของกายของโพธาภาของใจกระทํามรลมของจักขู่ท่ารูปท่าจักขูวิญญาณท่าน โสตธาตุสัตธาตุสัตโสตวิญญาณธาตุคานธาตุคันธาธาตุคานวิญญาณธาตุชิวหาธาตุระสาธาตุชิวหาวิญญาณธรราตุกายธาตุโพตภธาตุกายวิญญาณธาตุมโนธาตุธรรมธาตุและมโนวิญญาณธาตุเราวิจัยโดยขันอายตนะธาตุาแล้วก็หมุนเวียนว่าขันอายตนะธาตุไหลสืบเนื่องกันไปอย่างไรโดย ปฏิจจสมุบาทเนี่ยนะควิชาเป็นปัจจัยจียงมีสังขารเพราะการไหลไปสืบเนื่องไปแห่งขันธาตุอายตนะเรียกว่าปฏิจจสมุบาทเนี่ยนะทีนี้ปฏิจจสมุบาทเหล่านั้นเนี่ยก็เป็นทุกขศาสตร์กับสมุทัยศาสตร์แล้วปฏิบัติอย่างไรที่จะทําให้แจ้งนิโรธสัสตร์ที่จะบรรลุมัคคสัจจะเป็นต้นนั่นแหละคือเริ่มเจริญสติปัฏฐานเนี่ยนะเริ่มเจริญสติปัฏฐานเพื่อที่จะพอกพูนโพธิปัจจะธรรมอันนําออกจาก ทุกทีนี้สติประธานเป็นต้นเนี่ยถามว่าแหล่งที่มาของสติประธานอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ขันอายตนะธาตุอยู่ที่สัจจอินทรีย์ปฏิจจสมุปบาทเพราะนั้นก็เลือกเฟ้นขันอายตนะธาตุจนพบสติประธานเห็นสัมมรประธานอิทิบาทอินทรีย์พระโ พ, พชฌงและองค์มรคคิดอย่างไรเรียกว่าสมถะคิดอย่างไรเป็นวิปัสนาคิดอย่างไรเป็นสัททินทรีย์คิดอย่างไรเป็นสมาทินทรียเป็นปัญญทรีย์เป็นต้นก็เลือกเฟ้นเห็นจนว่า ผู้ใดเห็นทุกผู้นั้นชื่อว่าเห็นทุกขสัมมุทัยผู้ใดเห็นทุกขสัมมุทัยผู้นั้นชื่อว่าเห็นทุกขนิโรธผู้ใดเห็นทุกขนิโรธผู้นั้นชื่อว่าเห็นทุกขนิโรธาคามินีปฏิปทาก็เห็นอริยสัจด้วยจิตเรียกว่าดวงเดียวเนี่ยนะในระดับสูงสุดก็ต้องมีการสั่งสมมาเป็นอย่างดีปรับความรู้ปรับความเข้าใจโดยเฉพาะปัญญาภูมิทั้งหลายวิปัสนาภูมิทั้งหลายจึง ภาคเพียงใคร่ครวนทั้งโดยการฟังโดยการตรึกโดยการพินิษพิจารณาเพื่อเป็นอาหารของปัญญาบารมีเนี่ยนะนก็อย่างยกตัวอย่างตรงนี้ก็บอกว่าทั้งหมดของชีวิตของสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งหมดนะ น, นะย่อลงมาก็เพียงแต่นามรูปอันนามรูปเท่านั้นแหละที่เกิดขึ้นนามรูปเท่านั้นแหละที่ดับไปแล้วนามรูปที่เกิดขึ้นเนี่ยเพราะอะไรทาให้นามรูปเกิดเช่นชรา ม, มรณะก็คืออะไรก็เป็นเพียงแต่ นามรูปนามรูปด้วยที่เป็นชรามรณะมีอะไรเป็นเหตุเกิดบอกมีชาตินามตอนที่เกิดขึ้นก็เพียงแต่นามรูปโอกันติกเนนมามะรปูปังอัญญามัญยังในปฏิสนทิขนาดเพียงแต่นามรูปนั่นแหละเป็นอนัญญามัญญะปัจจัยเป็นสหาชาติปัจจัยเป็นต้นแก่กันและกันแล้วนามรูปเหล่านี้มีอะไรเป็นปัจจัยก็มีพบก็คือกรรมกรรมก็เป็นไปเพียงนามธรรำนามธรรมามาจากไหนก็ไล่นามธรรมาและรูปประธรรมว่ามันเกิดขึ้นอย่างนี้ ถ้าดับปัจจัยเหล่านี้ได้ทั้งหมดเหล่านั้นก็ดับเพียงย่นย่อว่านามรูปเกิดเพราะอะไรเกิดอวิชชาตันหาอุปาทานกรรมอาหารผัสสะนามรูปเท่านั้นแหละที่เป็นเหตุให้เกิดนามรูปถ้าดับอวิชชาตันหาอุปาทานกรรมดับอาหารดับผัสสะดับนามรูปรูปนามขันห้าก็จะดับทั้งหมดเนี่ยนะอันในเรื่องความเกิดและความดับของนามธรรมาและรูปธรรมที่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยจึงไม่มีใครทําเอง ไม่มีใครอยู่ในนั้นเมื่อไม่มีใครและใครจะไปทำใครจะไปเป็นผู้สร้างใครจะเป็นผู้สวยใครจะเป็นผู้มีอำนาจในสิ่งเหล่านั้นที่แท้จริงเพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นสังขารธรรมไม่เที่ยงเพราะสิ้นไปสังกัตาธรรมทั้งหลายในโลกนี้ไม่เที่ยงเพราะมีความเกิดและมีความเสื่อมมีแต่ความแปรปรวนไปเป็นของชั่วคราวค้นหาเถอะ ใครค้นหารูปแล้วจะพบความเที่ยงของรูปจะเจอไหมค้นหาเวทนาเพื่อจะพบความเที่ยงแห่งเวทนาคนสัญญาค้นคว้าสังขารและวิญญาณเพื่อจะเห็นความเที่ยงบอกไม่มีแม้แต่นิดเดียวที่รูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณที่จะเที่ยงเพราะอะไรเพราะเป็นสิ่งที่มีความเกิดเป็นเบื้องต้นและแตกทําลายเป็นที่สุดเพราะเป็นสิ่งที่แปรไปเปลี่ยนไปสิ้นไปและทุกอย่างถือว่าชั่วคราวนะ ช่วคราวแม้แต่ชีวิตของเราเนี่ก็ชั่วคราวนะคราวไหนคราวมีชีวิตนี่แหละเดี๋ยวก็สิ้นไปนั่นนะก็จบสิ้นกันทีเนาะชีวิตอย่างเงี้ยแดีวก็จบแล้วจบแบบไม่ไม่จบจริงอะ่ะที่มันยุ่งมา ก, กานะมันจบแบบเริ่มเนี่ยเองว่ า, าจบแบบประเภทไปเริ่มใหม่ซะว่างั้นอ่ะนะบาร์พูดเด็กมา ไปล้อมมาใหม่สร้างไงนะเขไปเกิดมาใหม่แล้วรวมตัวขึ้นมาแกมาชราใหม่แล้วเกิดมาอีกมารวมตัวอีกโอ้มาทนทุกข์อยู่นั่นแหละเสแล้วถามว่ามีความเกิดเป็นเบื้องต้นมีความแตกทําลายตายไปเต็นที่สุดมีความแปรปรวนเป็นของชั่วคราวหาความเที่ยงยั่งยืนไม่มีเลยแม้แต่ขันเดียวแล้วแต่ละอย่างนี่มันเลี้ยงง่ายหรือเลี้ยงยากอะ่ะเลี้ยงรูปนี่เลี้ยงยากหรือเลี้ยงง่ายเอาใจรูปนี่ง่ายหรือยาก เอาใจเวทนานี่ง่ายหรือยากเอาใจสัญญาก็ยิ่งยากเอาใจสังขารเอาใจวิญญาณแต่ละอย่างยากหมดเลยนะรูปก็เลี้ยงยากเวทนาก็เลี้ยงยากสัญญาสังขารวิญ ญ, ญาณก็เลี้ยงยากไม่เชื่อให้อยู่คนเดียวไม่ต้องทําอะไรบํารุงขันห้าตัวเองอย่างเดียวเลยนะเอาไปเอามาเลี้ยงยากหมดเลยว่าไงเถอะมันบีบคั้นมันแปรปรวนมันเราว่ายิ่งเลี้ย ง, งยิ่งทุกข์ว่าไงเถอะยิ่งเลี้ยงยิ่งเดือดร้อนยิ่งดูแลยิ่งมีปัญหาเนี่ยนะทนยาก แล้วก็ยากที่จะทนด้วยนะอย่างร่างกายกาแต่ละส่วนแต่ละส่วนเนี่ยนะตอนไม่ป่วยไม่รู้สึกรคเนี่ยนะตอนป่วยตอนมันเมื่อยขึ้นมาแล้วมันปวดมันเมื่อยมันคัดมันยอกมันพกมันช้า ม, มันลำบากและอักเสบเป็นต้นเนี่ยจะรู้ว่าโอ้มันทุกแท้นเนี่ยนะดูแลยากแล้วก็เป็นที่ตั้งสารพัดทุกเนี่ยนะอะไรจะเท่ากายเนี่ยนะสารพัดทุกไม่ว่าทุกทุกเวทนา ทุกทางร่างกายและจิตใจเนี่ยนะถ้าไม่มีขันท่าเหล่านี้ไม่มีนามรูปเหล่านี้ทุกทั้งมวลเหล่านี้จะมีไหมเพราะฉะนั้นเป็นที่ตั้งแห่งกองทุกเป็นที่ตั้งแห่งหยาดเหงื่อแรงกายเป็นที่ตั้งแห่งความเจ็บปวดทั้งร่างกายและจิตใจเขาบอกเป็นที่ตั้งแห่งทุกทุกเหล่านี้ทนก็ยากยากที่จะทนเนี่ยนะโดยมากก็เลยจำทนก็ไม่รู้จะทํำยังไงก็บอกก็ไม่รู้จะทํำยังไงก็เลยเรียกว่าจำทนทนยากทนด้วยความทุกข์ยากลําบาก คันห้าเลือกเฟ้นดูจริงๆว่ามีความสุขแท้อยู่ในนั้นไหมค้นหาความสุขแท้ในรูปพบไหมสุขล้วนๆของรูปเลยนะรูปสุขโดยส่วนเดียวไม่มีทุกข์เจือปนเลยมีไหมบอกยากอ่างั้นที่ใดรูปเป็นที่ดูเหมือนเป็นที่ตั้งแห่งสุขมากรูปเหล่านั้นแท้จริงและเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์มาก สิ่งใดที่จะนำมาซึ่งสุขเวทนารูปเหล่านั้นเป็นที่แย่งชิงกันเมื่อรูปไ ม, ไม่มีสถานะที่มั่นคงแล้วความสุขจะมั่นคงมาจากไหนก็เรียก ว, ว่าสแสวงหาความสุขที่เกิดจากต่อมน้ำหยากน้ำสแสวงหาความสุขจากต้นกล้วยเป็นต้นที่ไม่มีแก่นสารที่แท้จริงแล้วจะได้สุขจริงๆหรือนั้นก็เลยเรียกว่าปฏิเสธสุขแท้สุขจริง เวนไว้แต่สุขเวทนาครั้งคราวเมื่อประสบกับอิทถารมนะนะเมื่อประสบกับอารมณ์ที่น่าปรารถนาจะมีความสุขอยู่แค่ครั้งคราวแต่อารมณ์ที่น่าปรารถนาก็เป็นที่ต้องการแห่งชนหมู่มากเพราะนั้นก็ศึกแย่งชิงสิ่งที่น่าปรารถนาก็ตามมาเป็นที่ทะเลาะเบาแวงเรียกว่าชิงดีชิงเด่นการเรียกว่าแย่งชิงสิ่งที่น่าปรารถนาในที่สุดสิ่งที่ปรารถนาเที่ยงหรือไม่เที่ยง เมื่อสิ่งที่ปรารถนาไม่เที่ยงความสุขจะเที่ยงไหมมันก็ไม่เที่ยงทั้งเกิดทั้งเสื่อมแปรปรวนชั่วคราวบีบคั้นหาความเที่ยงไม่พบบีบคั้นเนืองเนืองทุกข์ยากเป็นที่ตั้งแห่งสารพัดทุกข์ไม่มีสุขที่แท้จริงและใครมีอำนาจไปทาอะไรได้มั่งทั้นสิ่งเหล่านี้เป็นของว่างว่างจากความเที่ยงว่างจากความสุขว่างจากความยั่งยืนว่างจาก อัตตาว่างจากสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาจึงไม่ใช่ใครและไม่ใช่ของใครไม่มีเจ้าของเนี่ยนะเป็นสิ่งที่ไม่มีเจ้าของจริงๆแล้วอย่างเส้นเกษาของเรานะผมเนี่ยมันเจ้าก็จะว่าเหมือนของเราก็เหมือนจะว่าจริงๆมันมันมหาภาระที่ให้เราดูแลมากบ่าจึงไม่มีเจ้าของอย่างแท้จริงน่นะนังเกตตัดทิ้งไปแล้วเนี่ยแหมอยากเอาไหของคุณของคุณเอาไปด้วยเอาไปด้วยเอาไปด้วย อะไรก็ตามที่หยาดออกให้เร า, าวนหลุดไปจากกายเนี่ยนะเอาไปด้วยนะเอาไปด้วยเอาไปด้วยไปเก็บดูแลไะรักษาไว้ให้ดีบอกโอ้ไม่ยอมเด็ดขาดเลยนะเพราะมันมันไม่มีเจ้าของอยู่ในนั้นอย่างแท้จริงเนี่ยนะและในที่สุดสิ่งเหล่านี้เนี่ยโดยเฉพาะคันห่ารูปนามเหล่านี้ไม่มีใครทําตามใจชอบได้ทําตามใจชอบของตัวเองไม่ได้ตัวเองชอบอยังไงก็ไม่ใช่ว่าจะทําทุกอย่างอย่างที่ใจมันชอบเพราะมันมีกติกาเต็มไปหมดเลยใช่ไหม แม้น้ำหวานนี่หวานมากดื่มตามใจชอบเลยดื่มแต่น้ำหวานอย่างเดียวไม่ดื่ม น, น้ำชนิดอื่นไม่เอาละดื่มแต่น้ำหวานเพราะตัวเองชอบทำตามใจอย่างงั้นได้ไหมไม่ได้ก็คือสรุปว่าในโลกนี้ไม่มีใครทำอะไรอย่างที่ใจตัวเองชอบได้ น, นะไอ้ที่ดีๆใจก็ไม่ค่อยจะชอบทำนี่ทีไอชอบแต่สิ่งที่เรียกว่ามันสร้างปัญหาทั้งหลายเพรานในโลกของขันห้าจึงไม่มีใครทำตามใจอย่าง ที่ใจมันชอบได้หรอกเนี่ยนะนะก็คืออาจจะทําได้แค่ครั้งคราวแต่ในที่สุดก็ไม่มีใครมีอํานาจทําอย่างที่ตัวเองต้องการเช่นมีอํานาจในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารและในวิญญาณเนี่ยนะทำตามใจรูปก็ายากทําตามใจเวทนาอู้เราจะย่ําจริงเลยและโดยที่สุดก็ไม่มีกว้างเปล่าในที่สุดก็สลายไปเนี่ยนะนะอีกสักร้อยปีข้างหน้าจะมีชื่อเราอยู่ในโลกหรึเปล่าเนาะ ศูนย์สลายไปถึงโอกเนี่ยนะแล้วก็บอกว่าอะไรพอเริ่มตายปั๊บเขาก็โอนออกจากบัญชีโลกแล้วเนี่ยนะเขาไม่เก็บไว้หรอกแล้วก็เรเปลี่ยนหมึกพิมพ์เอาเงินเปลืองกระดาษเกลือมหน่วยความจําหน่วยความจุที่เก็บรักษาเนี่ยนะก็หมดแล้วก็เอาเอาอะไรน ะ, ะร่างกายเหล่าเนี้ยกายที่เราใช้อยู่นี่ก็กลายไปเป็นปุ๋ยเป็นอย่างอื่นให้เขาไปเป็นผักเป็นพืชเป็นอะไรไปอะไรไปปฏิสนธิจิตก็ไปรอหลอล้ อ, อมรูปใหม่ๆกรรมที่ทําในชาตินี้ก็ไปสร้างเรียกว่า ร่างกายของเราเนี่ยก็คือการออกแบบติดตั้งสรีระออกแบบติดตั้งขันห้าต่อไปในอนาคตชาติที่เราปฏิบัติอยู่เนี่ยคือการออกแบบติดตั้งสรีระร่างกายความรู้สึกนึกคิดสติปัญญาในชาติต่อๆอไปนะโครงสร้างทางรูปธรรมโครงสร้างทางนามมาทำร้ายส่วนเกิดจากอดีตชาติเนี่ยนะอย่างเช่นพวกผวังขจิตทั้งหลายนันใครมีปัญญามากปัญญาน้อยเขาดูจากผวังนะโสมนัสมากหรือโสมนัสน้อยดูจาก รวังพวกที่ตื่นขึ้นมาแล้วโดยมากตื่นขึ้นมาแล้วเพราะตื่นเสร็จแล้วเครียดเลยพวกนี้แสดงว่าพื้นฐานภวังไม่ดีเลยนะพื้นฐานภวังที่กรรมประเภทโทสะนําเกิดคือโทสะล้อมหน้าล้อมหลังนําเกิดคือตื่นขึ้นมาแล้วเดือดร้อนไม่มีความสุขเลยแต่บางพวกถ้าถ้ากรรมประเภทโสมนัสล้อมหน้าล้อมหลังพวกนี้เรียกว่าขอให้หลับตื่นขึ้นมาก็สดชื่นมีความสุขสบาย น, น, นะนะบางพวกจึงรังเกียจกลัวการหลับมากเพราะถ้าหลับตื่นขึ้นมาแล้วเดือดร้อน ก็แสดงว่าพื้นฐานภวังที่นําเกิดไม่ดีเนี่ยนะท่านก็มันมีอะไรอีกลายหลายอย่างน่ยนะที่เราจะต้องศึกษาไอ้คําว่าอนัตตานี่เป็นคําที่ยิ่งใหญ่นักแลเพราะเพราะอะไรก็คือตัวขันห้าตัวอนิจจังตัวทุกขังสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นแหละเป็นทุกสิ่งใดเป็นทุกสิ่งนั้นเป็นอนัตตาพระโพธิสัตว์ทั้งหลายคือพระมหาบุรุษเนี่ยนะกำหนดรู้ธรรมะคือขันห้าทั้งภายในขันห้าทั้งภายนอกโดยไม่มีส่วนเหลือ วิจัยไม่ให้มีส่วนเหลือโดยไม่ข้องด้วยอํนานาจราคะโทสะและโมหะในธรรมะเหล่านั้นแปลว่าไม่มีความข้องปกติคล้องคงด้วยราคะข้องด้วยโทสะไอคล้องนี้แปล ว, ว่าคาใจบางเรื่องคาใจด้วยราคะบางเรื่องคาใจด้วยโทสะบางเรื่องก็คาใจด้วยโมหะนั่นค่าความข้องหรือคาใจนั่นแหละคาใจในเรื่องรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณด้วยราคะโทสะโมหะมานะเละ ท, ที่พระโพธิสัตว์ทั้งหลายคือผู้ที่มีปัญญาไอ้พื้นฐานคือความที่ท่านมีปัญญานี่แหละท่านจึงตัดความคล่องด้วยราคะคือมีมีแต่อโลพะอโทสะและอโมหานี่นะวัดสายทานแห่งสติปัญญาของท่านหลังไสโดยไม่ขาดสายเนี่ยนะคือถ้าพูดแบบธรรมดาทั่วไปถ้าท่านปรารถนอาอรหั ต, ตผลลำพังตนเนี่ยนะบรรลุนั้ น, นเต็มทีแล้วเนี่ยนะแต่เนื่องจากว่าอัธยาสายใน โอทิยานเนี่ยนะเพราะโดยมากท่านจะตั้งมั่นอยู่ในรูปโดยอนุปัสนาทั้งหลายเนี่ยนะแต่ว่าอยู่กับสิ่งที่ตัวเองจริงๆแล้วไม่ชอบแต่ก็ต้องทนอยู่เพราะเพราะอะไรเพราะต้องการเสริมสร้างปัญญาเพียงพอที่จะช่วยให้ผู้อื่นพ้นจากทุกเนี่ยนะเพราะว่าอย่างว่าปัญญาไม่พอเนี่ยจะช่วยใครได้บ้างจริงๆเอาเอคนไม่มีปัญญาเนี่ยนะ โอ้ยอยากจะช่วยงานเนี่ยนะเอาคนเข่ามาช่วยงานเอาไหมกาลังเขียนหนังสืออยู่ดีๆตรวจหนังสือเนี่ยนะเอาคนโง่งมาช่วยงานเอาไหมคุณหมอผ่าตาดัดเอาคนไม่เป็นไปช่วยนะบอกโอ้ ย, อยอช่วยให้ไปไกลที่สุดมันดีที่สุดใช่ไหยเพราะว่าเท่ากับช่วยเท่าไหร่ ย, ยิ่งสร้างปัญหาขึ้นเท่านั้นพันปัญญาเท่าใดก็จะแก้ปัญหาไปเท่านั้นนั้นปัญญาเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญนะเป็นสิ่งที่สําคัญมากเป็นตัวที่ตัดเครื่องข้อง ค้องด้วยราคะประตัดออกไปค้องด้วยโทสะค้องด้วยโมหะมานะและทิฐิค้องด้วยบาปและอกุศลธรรมทั้งหลายปัญญาเป็นเครื่องตัดเนื่องจากที่ตัดเครื่องค้องเหล่านั้นได้ก็เกิดจากการวิจัยเกิดจากการพิจารณาคร้ครวญอย่างเต็มที่และด้วยกรุณาที่มีอยู่เ น, นี่ยนะเห็นว่าผู้ที่ติดค้องด้วยราคะโทสะและโมหะเนี่ยมันเป็นทุกข์ผู้ที่ไม่ติดข้องด้วยราคะโทสะและโมหะ เป็นสุขท่านก็เลยบอกวิธีคน้นคว้าวิจัยช่วยเหลือให้เขาตัดราคาเป็นต้นได้อย่างไรด้วยใจที่มุ่งปลดเปลื้องให้เขาพ้นจากความทุกข์เมื่อเขาตรัสรู้ทมเป็นที่พ้นทุกข์แล้วเขาก็จะประสบแต่ความสุขอย่างเดียวต่อไปบอกว่าพระพุทธคุณยังไม่มาถึงฝ่ามือเพียงใด อย่างสัตว์ทั้งหลายให้อยู่ในยานสามด้วยการอย่างลงและด้วยการทำให้เจริญหมายคาะว่าตัวท่านเองค่ะพรพุทธคุณคืออรหันตคุณนะพุทธคุณคืออรหันสั ม, มาสามพุทโธ ว, วิชาจารณะสมบันโนสุขโตโลกวิทูเป็นต้นยังไม่มาถึงฝ่ามือหมายค่ะว่าตัวเองยังไม่สำเร็จเป็น พระพุทธเจ้าเพียงใดโดยปกติตัวท่านเองก็ดํารงอยู่ด้วยสุตมยปัญญาจินตามยปัญญาและภาวนามยปัญญาไม่เท่านั้นยังช่วยให้ผู้อื่นดํารงอยู่ในสุตมยปัญญาจินตามยมยภาวนามยปัญญาเพรา ะ, ะเป็นกลุ่มพวกที่เรียกว่าไม่ขออินแต่เพียงผู้เดียวไม่ขอฉลาดแต่เพียงผู้เดียวอยู่แล้วเพราะโดยปกติเนี่ยนะ ท่านนำรงอยู่ด้วยเมตาน้อมนาประโยชน์เข้าไปให้แก่สัพพะสัตทั้งหลายด้วยใจกรุณามุม่งเปลื้องให้สัตว์ทั้งหลายพ้นจากทุกข์อะไรจะทุกเท่าไม่มีปัญญาอีกแล้วไม่มีเพราะฉะฉนั้นก็เลยให้ช่วยอย่างไรให้สัตว์ได้สุตะมายะปัญญาเป็นต้นเพราะผู้ที่มีปัญญานี้คือคนที่มีความสุขเนี่ยนะมองอะไรอย่างทะลุปรุโปร่ปรงเข้าใจวิธีแก้ปัญหาอย่างสุดสายถามว่ามีความสุขหรือมีความทุกข์ มีแต่สุขโดยส่วนเดียวแต่ถ้ามองอะไรแล้วมันตีตันไปหมดคิดอะไรก็คิดไม่ออกไม่รู้ว่าจะแก้อย่างไรเนี่ยนะอะไรจะทุกข์เท่านี้ไม่มีอีกแล้วเนี่ยนะเรียกว่าทุกข์ของคนเราก็จนปัญญาครับงั้นอะไรจะทุกข์สำหรับเท่ากับคนจนปัญญาไม่มีอีกแล้วโดยเฉพาะเรียกว่าเรื่องคอขาดบาดตายแล้วก็จนปัญญาที่จะแก้ด้วยนี่ก็มันเดือดร้อนมากเพราะนั้นทำไงสัตว์ทั้งหลายจะได้มีปัญญาทั้งสุตตะมยะปัญญาจินตามยะปัญญาและภาวนามยะปัญญา